วันนี้วันนี้เอ่เ อ, เ, อ, เ, อ, เ, อเป็นบันที่มีโชคดีใหงเราคั้งพระทุกเส้นที่่อยูด้วยในปัจจัยนี้เราเได้ขึ้นไปจำรรรษาณนะวัดถ้ำแจงเช็ดเพื่ อ, อไปตากอากาศ เพราะว่าในพรรษานี้เราสุขภาพไมพ่สบายเลยจึงได้ดขึ้นไปจำ พ, พจรรษาท่าแกลงทุกพร้อมโดยสันตะกับภาสโรไมโกและสมณีกายและกับปมุตโตด้วยนอกนั้นก็เป็นพระอาจารย์ อาจารย์ทูนเป็นต้นที่รวมกันอยู่ในัรษานี่และตอนนี้เสียงเสียงไทยบริการขึ้นไปอุปถารไปจำภรรษาและโยมบางบางคนที่ต้องการศึกษาก็ไปอยู่ด้วยแต่ไม่มากเพราะว่าในสถานที่ในอนวยให้ <c oughs> แต่ก็เรา ได้รับทราบจากโยงชลอซึ่งมีลูกชายที่มาอยู่กรุงดอนได้ไปเยี่ยมพ่อที่เมืองไทยแล้วก็เลยไปเยี่ยมเราที่สำเ็งเซจ์เราไึ้ทราบความเต็นไปของวัดอิเธิเป็นอย่างนีดีที่สุดนั่นก็คือในข่าวว่า สุนิโธเรียกว่ า, าอุปชาเราก็ภูมิใจหลายเพราะว่าเราในรานี้ทั้งขานร่างกายสุขภาพสมบูรณ์จะไปมาหาสู่พระสุนิโธนั่นทำมาเมื่อเราได้ทราบข่าวชนนี้เราก็เบาใจได้ดีใจว่า พุทธศาสนาของเรานั้นที่เราได้มาตั้งอยู่ในกรุงดอนนั้นคงจะเป็นสาระพอสมควรได้ข่าวจากโยมชลรอ่ราให้ฟังหลายอย่างฉะนั้นในปัจจุบนันนี้โลกภายในกายของเราเป็นต้น เ, เบาบางไปพอสมควร พอที่จะอัดเทปมาฝากชุ่มยิโทรได้พอสมควรดังนั้นทุกอย่างซึ่งเราได้พูดกันแล้วแต่นานทุกวันนี้พระได้ทราบว่าพุะมยิโทมีเพื่อนที่สูอยู่โดยกันหลายองค์เชียนอนันโทอีระธรรมโมสุกิตโต ปุปปันโนกิตติสาโรมีเมื่อเราเห็นชื่อล้วก็ดีใจทุกท่านคงจะอยู่ด้วยความสบายพอสมควรนอกด้านต็แม่ทีอ่าอ่าเออในใส้พระอมมาโเจิรดีนะอมมาโรนอกด้านก็แม่ทีของเราซึ่งแม่ที จันจันตศิริแม่จีโรชนะก็อยู่ด้วยกันเราก็เห็นว่าให้อยู่กันด้วยความสบายเราทราบแต่เพียงเท่านี้นอกจากนั่นไปที่มีชื่ออยู่เหลือจากนี้ไป ก็ให้จงภาการมีความสามัคคีซึ่งกันและ ก, กันใหการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นไปเราเห็นว่าโยมชะลอก็เป็นอุปถัมภ์คนนซึ่งจะส่งข่าวให้เราเข้าใจพวกอุบาิ ก, กาชาวกุง ด, นดอน เป็นต้นว่าโยมชื่อพุทธบุญเรานี้เปนต้นเราก็ถาม ถ, ามถึงอยู่บ่อยเหมือนกันก็เห็นว่าไปไ ป, ไปมามาอยู่เสมอดังนั้นก็เลยทราบว่าการบำรุงเ ส, สนาจนะอาคารของจิจเหตุนั้นก็รู้สึกว่าเย็นนี้สะดวกแล้วเราถามบ่อยเพราะว่าเราไปเราไปทรุดนั้นน่ะ แน่แล้วก็ไปอยู่เจ็ดวันแล้วก็ไม่อยากไปเปรียบเลยลำบากเราเคยพูดในพระภารกิจทุกๆคนพูดในฟังเดี๋ยวนี่ถามไปแล้วรู้สึกว่าสบายห้องพระก็เรียบร้อยอะไรก็เรียบร้อยทุกอย่าง <S <S การก่อสร้างมันก็ น, น้อยลง <S <S เห็นว่าพระเนมทีของเราทั้งหลายที่อยู่ร่วกันนั้นมีภาระอันน้อยในการจัดจัดแจงเสนาสนะ แต่จะได้พยายามทำกรรมฐานกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าคนเก่าพระเก่าอาจจะถูกโยกย้ายไปอยู่ในสาขาอื่นก็มีมั่งเป็นธรรมดาแต่ก็ให้ช่วยกันโดยมากพระเก่ามีน้อยพระใหม่มันจะมีมากอันนี้ก็ สำรับพระวัดหนองสะโพงนั่นก็เคยผ่านมาแล้วจะมีความลำบากสักหน่อยหนึ่งในการอบรมสั่งสอนมีสระพยายามข <c oughs> ้าสุมิโททุกวันนี้เราเห็นว่าก็คงจะไม่หนักอะไรนะ <c oughs> คงจะไม่หนักอะไรนะมั้งืีไง <c oughs> คงจะมีภาระมีภาระก็เหมือนกับไม่มีนะไหมอืมมีภาระเหมือนกับไม่มีอันนี้ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กเป็นธรรมดาอืามนกระเราคอยเห็นกําลังของท่านพระสุเมโธมาหลายปีแล้วก่อนนึกว่าพอเป็นไปแต่ขอให้เข้าใจนะพระสุเมโธนะ สมาพานวัดอุปชาเปรียบรยเรื่องเหมือนเหมือนเหมือนถันงเทขยะ <c oughs> นะเหมือนถังเทขยะคนที่ลาคาญในขยะทั้งหลายนั่นก็ไปทำถังเทขยะจะให้คนอื่นเ็ไปเทกลับแล้วก็คนทำถังเทขยะนั่นแหละไปเทเองให้เข้าใจวัดประโคงม็เป็นอย่างนี้ แม้ขั้นพุตธการจะเป็นอย่างที้นี่เป็นเรื่องธรรมดานะี่ยเทไปเถอะทั้งเทเขยะเรา ก, ก็าทำขึ้นไม่มีใครจะเทะเราก็เทเองอเขาไม่เทเราก็เทเขาไม่ทำเราก็ ท, กทำทุกอย่างก็จะอย่างตรงนีน้ทั้งเทเขยะทั้งหมดนะ่ะของสบกระปกเลือกรักท้งปวงเข้าไปในนั้นเป็นเรื่องธรรมดาภาระของชุมทานสักประชาเหมือนกันอย่างนั้น อะไรเขาควรจะเวี่ยงไปในนั้นะนะในทั้งขยะของพระสุเมโคน่ะอย่างนั้นพระสุเมโธต้องมีหูตาอันยาวดึกซึ้งไม่หวั่นไหวทุกข์กาลอดทนความอดทนนั่นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายที่เราจะอยู่ไปได้นั้นอย่างไรก็ตามที่เรากล่าวมานี้นั้น เพื่อให้ความอบอุ่นของปกเถิดทั้งหลายทั้งสองทั้งจองข้างทั้งพระอาจารย์ทร้ปัญชาชันติเบหาลิอันเตวะสิทั้งหลายนี้เราช่วยกันไปช่วยกันทำร้อมใจกันช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้วัดกิเติดเราจะสร้างอาคารมันเสร็จแล้วก็จริง อ็จริงสร้างอาคารจิดเหตไม่ยากนะในกี่ปีมันก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสร้างอาคารห้องพระก็เสร็จแล้วอืมอะไรอะไรมันก็เสร็จแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จคือการรักษาการรักษาเสนาชนะการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เสร็จการปวดการเ็ศการทำอะไรทุกอย่างอันนี้ไม่เสร็จ ถ้าจะทำไปตลอดกาลตลอดเวลาการสร้างวัดว่าอารามมันไม่ยากครับสร้างพระนี้มันยากสร้างพระนี้มันยากมันยากแต่ของยากๆอะทำให้มันทำได้มันดีของไม่ยากทำได้มันไม่ดีครอกของยากๆทำได้มันดีมากเลยอันนี้กุมกันฉะนั้นฉะนั้นให้ช่วยกัน มีกำลังบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในสถานทนี่ิจเหตุนี้เพราะว่าทั้งทั่วคนไทยที่ไปศึกษาเราเรียนทางนักเรียนทางพ่อแม่ของนักเรียนหรือใครจะไปจะมานั่นเราก็รู้จัก ถามเสมอว่าไปเยี่ยมกิจเหตุัหมเราถามบ่อยๆรู้สึกว่ามีใครมีคนสนใจหลายเป็นคาถาของเราใทัทงเมืองไทยเช่นวัดนาชา่าหรือวัดหนองประพง์ซึ่งมีอยู่ใกล้ิดกันอย่างนี้เราจะมีเห็นว่าพวกชาวเมืองนอกจะไปเยี่ยมเมืองไทยจะ้อ ง, อ, อ, งะองไปวัดต้องประพง์แล้วจะจองไปวัดนาชา่า อยู่เสมอในถามข่าวถึงเสมอเสมอทุกประการเขาก็อบรมกันพอสมควรดีใจเราเห็นมากวัดหนองประพงศ์และวัดนนทชาติแล้วัดจิตเหิดที่เป็นสาขาของเรานั้นเราดีใจว่าเรามีความพร้อมเพียงกันทำอะไรแค่นขนาดนี้เขาก็มีความดีใจ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> บัดนี้เราก็ไม่มีเรื่องอะไร เราน้อมจิตมาเพื่อแห่เมตตาจิตให้ถึงพวกท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านจงมีความอยู่เย็นเป็นสุขสมาธิพร้อมเพียงกันทุกๆ ท, ท่านพร้อมเมื่อทางขอให้น้อมถึงคุณพระเจ้าพัฒนาัยประพุทธระธรรมประสงค์จงดลบันดาลให้จิตสถานดุจจิตใจของท่านทุกทุกท่านให้มีความสบัยดีในการต่อไป ทั้งพรสันตาเออเอเอสันตะที่อยู่ด้วยอพระพากรที่อยู่ด้วยทุกองค์พระปรดังนั้นก็อ ย, อยู่ร่วมผมนั่นเนี่ยในท่ามแสงเทศอยู่นั่นอยู่วัดตรงประพงศ์ก็มีเมินองค์หนึ่งอืมซึ่งเป็นอยู่เมืองนอกที่ไปอยู่นั่นไงทางวัดนานาชาติก็มีหลายองค์ คงอยู่กันสบายสะดวกปีนี้สุขภาพผมนั้นไม่ค่อยดีผมจิงปล่อยพระเนรสาขาทั้งหลายนั้นให้อาจารย์ทั้งหนช่วยกันทำเองการบวชพระเนรนั้นที่ผมนั้นมีน้อยเพราะว่าจับผลมากจับผลมากไม่ไหวสุขภาพไม่ไหว จึงช่วยแบ่งกันให้มหาอมรหรือปรมาณดุชาคาโลไปต้องช่วยกันแบ่งไปแบ่งภละกันไปให้มันเบาอืถึงบัดนี้เราก็ยังยังโลกของเราในอยู่วัดทรามเสกเทศปีนี้ก็รู้สึกว่าสบายก็มีท่านพระพาคารโอติดตามไปที่ไหนที่ไหนก็ไปด้วยอืเพื่ออืรักษาสุขภาพด้วยทุกอย่างไปด้วยอยู่ที่อยู่วัดก่อ สันกิตโตไมโ่โกรธเป็นผู้ที่รักษาที่ตัดติดตามเราไปสม่ำเสมอนั่นก็คือพระภากโลเป็ น, นต้นท่านเป็นผู้เก่าเราพูดนได้หลายก็ได้ภาษาท่านก็ดีหลายอย่างก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศนของพวกเราทหลายแล้วฉะนั้นวันนี้โยมชะลอ ท่านในมาเยี่ยมเป็นครั้งที่สองทางลูกชายเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอยู่ทาลายใหญ่วัดท่านเสียงเ็ปนี้ใดเวลาแล้วคมจงเอาเทปมาอดัดเพื่อจะฝากไปถวายพระสุเมีโทเนี่ยสารุสิทิทั้งหลายให้รู้เรื่องดังนั้นผลที่สุดนี้วันต่อไปทางหน้าถ้าสุขภาพเป็นไปได้ จะพายายามมาเยี่ยมจิตเหตุยิ่ ง, งได้ดวงประการตังต้งแตทุกๆท่านอาอ่าวละนะเออจะยินเย้ย ว, วันนึงมันก็โยมคิดว่าตัวันนี้ในจิตเหตุเอยนะพระมันจะมากขึ้นสุจิตจะมากขึ้นก็อาจารย์ก็มีภาระมาก มันทีต่อไปแสดงทำตรงโน้นตรงนี้ก็ปลอยให้ลูกเล็กมันอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ก็หมายความว่าพระเลขเนีนน้อยเราก็อยู่บ้านอยู่วัดอาจารย์ก็ไปโน่งนไปเทือกมีประเทศนั้นประเทศนี้สอนเรื่อยๆไปไอ้พวกเด็กๆมันอยู่บ้านก็ยังเด็กๆบ้านเราเนี่ยถ้ามันห่างจากพ่อแม่เกินไปนี่ก็มันจะดีอื ม, มจะดี กนดีเราเป็นมูสเป็นตาก็ช่วยกันพอสมควรพ อ, อสมควรคือจะเอาอย่างดีมันก็มีนะ อ, อันจะมาบอกว่าถ้าจะมาเจ็ิญเทาประชาบวชพระก็บวชให้ก็บอกเขาว่าบวชเสร็จแล้วบวชพระวันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ คือบวชไทยสมมุติเป็นพรเหมือนเราอยู่รวมกันเนี่ยอยากจะอะไรอันหนึ่งทำไมเป็นเครื่องหมายเช่นว่าไอ้กเกลือจะเอาเกลือที่ไหนมันเกลือเล่นที่นี่ไม่มีแต่มีทรายจะนั่นกองเลยมีกำมาตรงนี้นี่สมมุติว่ากเกลือนันนี่นนะก็เอาทรายมากองเลยข้างหน้าแล้วตกผลนี่สมมติแบบเกลือทําไมจึงสมมติเพราะเกลือจริงไม่มีต้องเอาทรายมาสมมติทรายนั้นมันกระตุ้ิเนเกลือนะเกิดเป็นเกลือหรือสมมติ จะเอาไปใส่าหารไม่ได้ไม่เค็มมันเป็นสมุติเราบวชพระวันนี้ก็เรียวว่าเป็นพระโดยที่ยังไม่เป็นพระที่แท้อืที่แท้บางคนจะเข้าใจว่าบวชเสร็จแล้วแม่เราบวชเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ตาทุกเดือนแะล้วอย่ายังมีจิตที่รับสร้างศาลาหลังนี้สร้างเต็มที่ซีซ้มซีมันเสร็จแต่นึกว่ามันยากไม่ยาก มันยากเมื่ อ, อไรมันยากเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราจะได้รักษาสลาหลังนี้นะหลายชีวิตไม่จบเลยต้องรักษาด้วยปวดมาแล้วก็มันกันยังข้อปฏิบัติเรายังแบบปฏิบัติเป็นพระโดยสมมติกันอย่ากว่าเป็นพระไมแค่นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเห่านี้ข้อวัดปฏิบัติของพระมันยังมากเหลือเกิน ยังมากเยอะเกินมีโ น, โน้ไอ่สิ่งที่เราไม่รู้เยอะเรารู้เติบแต่เป็นพระวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นพระสันโดยสมมุิกันแล้วตอนนี้อย่าไปเผลอะนะ่ะอย่าไปดีใจใว่าเราเสร็จแล้วตั่เสร็จสร้างศาลาหลังนี้เสร็จแล้วจบเรื่องไม่จบนะจะต้องรักษามันลายชีวิตของคนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นทางชะก็ปฏิบัติมาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันตนัวเมืองไทยของเราเนี่ย เดยมากก็มาปูดเมืองเรานี่นะเะก็เราเกิดเปนเมืไทยเนี่ยบวชกันคนงมนานตาเลยมาเรียนยนะเรียนเรียนได้เยอะเยแต่ว่าแตยยังไม่รู้ไม่เห็นการความเป็นจริงเพราะมันขาดการปฏิบัติเหมือนเมีนาหลายหลายทุ่งก็จริงแต่ว่าไม่ทำจะเอาผลเกิดจากการนานันไม่ได้มีนาหลายทุ่งดฉๆอันนี้จะมันกัน เรียนไปเธอก็เรียนไป้าเรียนไ ป, นไปขาดการปฏิบัติบวชกระบวชกันไปเธอมันขาดการประพฤติปฏิบัตินี้เริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญนีฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องจีดบังของพวกเราทั้งหลายนะี่นบางทีลูกหลานแล้วกระบวชเออดีใจแล้วฉะนั้นดแล้ทีนี้บ้านเราโดยมากนะอือก็เป็นภาณบารมี เป็นบทแรกมันเป็นขั้นแรกมันทานบารมีการบำเพ็ญบารมีบทแรกสร้างบารมีโดยมากก็สร้างเจตฐานาบารมีเท่านาาั้นนะเออไปไหนที่ไหนฐานบารมีฐานอุปบารมีปรมัตาปา ร, ปารมีต้องไม่น่าไปอยู่แต่บารมีเท่านัทรงตัววันนี้ก็อย่างเขาพรุ่งนี้ก็อย่างเขาปีนี้ก็อย่างเขาปีต่อไปก็อย่างเขา ถ้าเป็นคนไข้สิเมื่อวานนี้ก็ไม่ทานข้วาววันนี้ก็เป็นไงไปถามอย่างเก่าอย่างเก่าคือไม่ทานขา้าวสองวันสามวันเนื่องในอย่างเก่ามันหนักไปหน้านะ่ะ <ś> อ <c ười> วันนี้ก็ไม่ทานพรุ่งนี้ก็ไม่ทานต่อไปก็ไม่ทานข้าแวแต่ถามกันเป็นไงเอออย่างเก่าไม่อย่างเก่านะ่ะมันเพิ่มนะคนไม่ท า, านทานข้าวสามวันสีวันมันจะตายเลยกาลังมันจะหมดแล้วอันนี้ก็มันสำคัญนะเราก็มันกำคัน ทำด้วยเส็นอย่างไรเขาไออด้ต่อว่ า, า จ, จะมาจะกิด ท, ทางไหนการให้ทานต่้งบาณีทางนี้ ด, ด, ดีพวกชาวเมืองนอกจะมาทางหลายเอ๊ะไม่ต้องตกใจละอืเอากไปดูสบายตามป่าเชนนั้นเน่ยเด็กเดกมันเห็นทัใไปว่าแม่ทักมาแล้วแม่ทักมาแล้วอีอท่านก็อยู่สบายบ้านท่านเดินไปจนอุย้ยเหนื่อย ไม่มีใครว่ามาจากบาตรเลยมาตักวางเงียบไม่เคยจะมีนี่เ <c oughs> มื่อท่านมาอยู่บ้านเราก็ เ, เปท่านไปอยู่กันชาวบ้านแต่ท่านนั่งสมาธิาทำกรรมาฐานฝึกฝนจะทำแน่ <c oughs> เราก็อยู่แค่เก่าของเราเองไม่ค่อย เ, ยเปลี่ยนแปลงอะไรน้อยขึ้นมีเวลานี้แหละค่อยกๆเตื้องกันแค่น่อยนี่พวกเราทาําหมายการชนบทต่างๆอจะมีการฝึกสมาธอืม ฝึกสมาธิมันจะคอยขึ้นคอยขึ้นไปืมนมีสติดีขึ้น อ, อาศัยการรู้การเห็นที่พระมึงนอกจะมาทำเป็นตัวอย่างให้ฟงให้ดูเราจะไปทำกันไปแต่แต่ค่ายกับเาฝึกใหม่เองการจะทำสิ่งนี้ก็ไม่มือไม่รู้สึกว่ามันจะมือในพวกเราทั้งหลาย พวกเราทั้งหลกยเป็นคารวาสเป็นเนทารให้ทานให้ทานหมดแค่นี้แ้วแท่นี้จะวกใหม่นั่งสมาธิเมดูเดียนเมดูเดียนเมดูเดียนอย่างนี้อืมอังนั้นทุกวันนี้พยายามไปค่อยทำแบบวบนนีก็ปุมใหม่โดยมากเฉพาะวัดป่าเ้วให้นั่งสมาธิ ค่อยๆทำไปทําไปเรื่อยๆบางคนก็พบความสงบเมื่อพบความสงบมันก็วิจัยเองมันไปค่อยๆใชสมผู้ที่มีปัญญาบางทีก็พูดมาก็น่าฟังเพราะมันเห็นหยุดมันเห็นก่อนนี่การทําพุทธศาสรสนานี่บางคนทําก่อนเชื่อบางคนเชื่อแล้วถึงทํา ม, มนันเป็นอย่างนี้ บางคนคนไปเมืองมากกว่าไปใช่ไครับอนี่เรียกว่ายังไม่เห็นไลยทําก่อนเชื่อทําไปบางคนเป็นจิจญาโดยเชื่อโดยจริงทําบางคนทําก่อนเชื่อบางคนเชื่อโดยจริงทํามันเป็นคนสองกัเหยืนี้ไปด้วยกันให้ voke มาชว่าให้มาให้มาทําแล้วใครมันเชื่อใครมีความเห็นของเรามันเชื่อมั่นเข้าไปในใจของเรามันจึงมีรากฐานอั น, นียิ่งสุด ไม่ว่าเจะนะว่วาเม่พระเราถึงมันกันบวชมาในพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อนฝูงหลักมันจะม า, า, าพยายามดึงไหมดึงไม่ค่อยจะมาผมํำไมได้ผมํำไม่ไ ด, ไได้คำพูดของท่านนนั้นต้องมาพิจารณาใหม่คุณทำไม่ได้ต้องพยายามทำใครก็ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าสังก็ทําไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้ แต่เราต้องมาฝึกพ ย, ยายามทำทำไปทำไปทำไปจนกว่ามีความชานาญมันจะเกิดความรู้มันจะเกิดความเห็นสนานาการกระทำเป็นมิสัยของพวกเราเป็นปจิสทาแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นนะ่ะถ้าจะมามาพิจารณาแล้วนั่นนะ่ะแล้วการปฏิบัติธรรมขูดอย่างนี้จ้ะการปฏิบัติธรรม ก็คือทําการปฏิบัติให้มันถูกแนวทางของมันไอ้สิ่งที่เราต้องการที่เราจะเข้าไปรู้ไปเห็นนั้นคือความจริงความจริงเหมันตั้งอยู่ไอ้ความจริงนั้นเราเราเร า, เราในไปไปสร้างมันขึ้นไม่ได้จะทําลายมันก็ไม่ได้อันนั้นเรื่ของจริง ที่รปรับปรุงมันขึ้นมานี่ปรับปรุงด้วยสติปัญญาด้วยสังขารความเปลงแฝงขึ้นมาตามความเป็นจริงนั้นจริงจิงอันนั้นอืจึงไม่จับมาใส่ไปโขกนังสีเดม่มี่ว่าหนังสีนอกเหตุเหนือผลคนเรามันทําในเหตุในผลให้คนเป็นทํานอกเหตุเหนือผลแล้วไม่มีใครจะทําอะไรได้หมูปัญญาเพราะเราทํำจะตรงมีเหตุผลจึง ท, ทกากันไปอย่างนี้ เอาหนังสือเดียมนี่เขียนมาอ่านให้เขาทำลายปกอย่างนั้นฟังจริงทั้งหลายเรื่องนี้มันเป็นของลําบากเหมือนกันคือเราไปนค้นหาความจริงไอ้ความจริงอันนั้นเราไม่สร้างมไม่จะทําลายมันก็ไม่ได้จะแปรมันไปอย่างอืง่นก็ทำไมมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นอาจามาเคยเล่าให้ฟัง เทศไปเทศไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรเทศในความเอออันบางคนก็พัฒนาไปนะเกิดสงสัยขึ้นมาแหมอันนี้จะถูกไหมนะ้องอันนี้จะผิดไหมนะ้องบางทีนั่งไม่สงบวุ่นวายก็สงสัยบางทีคนสงบแลกก้วก็สงสัยสงสัยอยู่ไ ป, ไปเพราะมันยังไม่รู้น่นเองตามเป็จริงนี่มันยังสงสัยอยู่ที่เรื่องันอันนั้นอันตรมาถึงนบอกว่าถ้ามันเป็นนี้มันจะเปยังไงไม่ทำอะไรมันรับกตรงนั้น ตรงนั้นที่เด้ยว่ะเราชอบใจสิ่งเหล่านั้นก็ให้มันชอบไปเถอะแต่เตอนมันเอออันนี้ไม่แน่อันนั้นไม่ชอบใจชันเอออันนั่นก็อย่าไปเชื่อมันมากอันนั่นก็อันนี้มันไม่แน่ไปเห็นอะไรก็บอกว่ามันไม่แน่เท่านั้นไว้แค่ก่อนเนะพูดไปพูดมาเห็นของไม่แน่มันแน่แนี่นะมันแน่ อันนั้นมันแน่ไอสิ่งที่มันไม่แน่น่ะมันแน่ถ้าเรารดยจากสิ่งที่ว่าไม่แน่ไม่มันไม่แน่มันไม่แน่เราก็ปล่อยมันไปตรงที่ว่ามันแน่มันอยู่ตรงที่ไหนมันตรงที่ว่ามันไม่แน่อันนี้เป็นถ้าพูดตามบัญญัติก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคือจะไปเชื่อมันทุกอย่างเป้าหมายอันนี้พระพุทธองค์ท่านให้วา เราบอกว่ามันมแน่เราไปทํามันไปทำไปเช่นว่าเทปเนี่ยมันแน่มันได้เกินเราชอบมันนะอีบอนก็จะไม่ชอบมันนั้ น, อ เ, น, ออ น, น, นเอาบริษัทใหม่ดีกว่าวมันมแน่แน่มันไม่แน่ในล่ะไม่แน่เลยมันแน่อยู่ตรงนี้ล่ะจับอันนี้ไปเรื่อยๆป้าเมื่อใครสนใจเห็นชัดในสิ่งที่วานบ้ามันไม่แน่คนนั้นอะจะรู้จักของแน่ ในสิ่งที่ว่ามันไม่แน่อย่นี้ตรงนี้มันถุกกระปรงพระะตรงนั้นแหละมันจะอาดตรงนั้น่มันจะอาดเพราะนําของจกกระโปรกออกตรงนั้นก็สะอาดที่ตรงนั้นตรงที่ศพกระโปกนั่นเองสมัยก่อนเราที่นี่ศพกระโลงเราไม่เอาไปหาทีมันสะอาดดีกว่าก็ไปฮะไปมันก็ต้องไปพบของสพกระปรงต้องทําของจพกระโปง ไอ้ความบีงเราเห็นมานานแล้วบางทีมันสะอาดแต่เราไม่พบมันของสะกปุกมันจิบอยู่เมื่อไรเรามีโอกาสดีเราเอาของตะกบุกออกของสะอาดมันอยู่ตรงนั้นนั่นฉันกินว่าอะไรที่ว่ามันไม่แน่น่ะมันแน่แต่เราคนมันอยู่ตรงนี้เองมันมีตรงนี้เองจิตเราเลี้ยงสมบันการตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นตรงไหนก็เป็นอย่างนันไอ้ความเป็นจริงน่ะมันยุ่งก็เพราะจิตของเรามันยุ่ง มันยุ่งไม่สบายต่อเพราะจิตของเราไม่สบายเนี่ยความคิดของคนเราความจริ ง, องไอ้ความจริงๆเราจะพูดตรงกันข้ามจตรงกันข้ามจิตของเราไม่เห็นอะไรไอ้ความคิดเรามันขึกเท่านั้นแหละใบไม้เห็นไหมมันนิ่งไม่เฉยเมื่ อ, อนั้นมันจสงบด้วยลมไมนมาตกมาพัดมันที่มันกวดแกงเนั่นเป็นเพราะอะไรลมแน่นลม ถ้ารมมันมีเป็นต้นใบไม้มันจะนิ่งไอ้ความเป็นจริงใบไม้มันสงบอยู่แล้วที่มันไม่สงบเวลานี้ก็เพราะรมมาโกรกมันถ้าหมดลงไปใบไม้เราจะนิ่งอยู่จิตของเราก็เป็นเป็นสิ่งที่สงบอยู่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สงบอยู่อย่างนั้นไม่แปรเป็อื่นมันจะเป็นอยู่ข้างมันอยู่อย่างนี้ที่มันเป็นนั้นเพราะมันหลงอารมณ์เพราะรมมันโกรกมันก็แปงกวาดแปรไปมา แล้วก็มันเป็นเพราะอะไรเนาะใ่ของเรานี้ยเรากำลังมันมันต้องชําระจิดของเราให้มันสะอาตามความเห็นของของเรานส่งชําระจิตไปมันชะอาดไอ้ความไปยินจิตของเรามันสะอาดแล้วจะต้องไปชําระอะไรมันอันนี้มันมีมายาสาไถ่อย่างนี้มีเห็นมามจิตมันไม่สะอาดเราตามตามมันกไปถึงทีติภูตังจ้ะความเป็นอยู่อย่างนั้นและเป็นต้นไม่ต้องไปฟอกอะไรมัน ไม่ต้องไปทําอะไรใหอืมมันไม่ยุ่งกับใครทางนั้นนะที่มันยุ่งนีไม่ใช่จิตอาอันมี้ฝากนะเสียงก็เสียงเจริญนี่แต่ว่าเอาไปเอาไปจินน า, นาเดูจิตของเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราไปสงสยัยแบบมันจิตของเราเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่มันเป็นในนี่ไม่ใช่ยางอื่นตังหาอุ ป, ปกคณ์ทั้งหลายทงกวงมันทั่วพันธ์เมา เราก็เห็นมาจิตของเราเต็มอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงไม่ได้ถึงจิตของเราการประพฤติปฏิบัติท่า น, นตั้งต้นจากจิตไปจิตแท้จริงแต่แล้วนั่นอ่ะอนนมันเป็นของสน็กอันนี้เรามาจีบที่บุนวายแล้วก็มาจีดที่ถูกวุ่นวายมันก็ไม่ใช่ถูกมันก็ไม่ใช่หยุดที่ถูกต้อง มันไม่บุนวายแล้วมันไม่สุกมันนิ่งสนบอยู่อย่างนั้นเหมือนใบไม้ธรรมชาติในมีโร่มันก็นิ่งให้มันอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าคนจีนไทตามไปถึงที่ปีพูซังออันนั้นเนี่ยมันแน่นให้มันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไปทําลายไม่ได้จะไปฟูงแจงมันขึ้นไม่ได้จะไปสร้างอะไรมันขึ้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จะอะไรสร้างท่านพีคือสร้างสหารกินจสร้างหกรกินของมันถึง น, นัธรรมชาติทุกอย่างที่เราทํากันทุกวันเนี้ยอย่างเช่นพวกการทํารวดรายต่างๆการท้เหมื่อธรรมชาติแนีปรับปรุงในแนวธรรมชาติเลยธรรมชาติคือธรรมชาติมันจะอยู og, ข่ของมันอยู่แล้วไม่แปรไปอย่างอืง่เราก็พยายามทำใทนแนวธรรมชาติอย่างนี้หยุดที่มันเป็นอยู่เนี่ยแตคือธรรมชาติสีสีฟูตัง มันสั้งอยู่อย่างนั้นมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้ น, mm hmm. นจะเป็นวิสังขารจะได้ตามภาษาของเราวิสังขารคือความปรุงแต่งคือความไม่ปรุงแต่งมันเป็นวิสังขารสังขารตัว น, นี้ถ้าเรารู้ไม่ดินไม่ดีก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาั้งเราเปลี่ยนเป็นปัญญาเรัราะไงแต่ข้างปัญญาเพราะไง คือความปรุงแต่งอืมมันเป็นอย่างงั้นทำให้มัเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทําเป็นเพื่อปรุงแต่งให้มันสดให้มันสวยให้มันโน้นใหมันนี่ขึ้นมีเหตุการ์ปุงแต่งจะต้องปุงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเก็จริงจริง้ไม่มีอะไรปุงแต่งเลยมันเป็นวิสังขารไม่ต้องปรุงแต่งเลยมันเป็นธรรมชาติมันคงจะเป็นอย่างนั้นเราต้องตามนี้ที่เราไปนั่งอยู่างนีบางครังเนี่ยเรานั่งแล้วคิดเออเอ้า บัดนี้เราจะทําอย่างเต็มที่เลยนะกำหนดทุบเลยตัดฟันใส่เลยช้อมจะ ย, ยิ่งบุบวายเลยวันนั้นที่มันจะเต็มไปบางทีบาวันนี้มันสบายอารมณ์มันสบายทีย่เสียงจะนองปล่อยมันสงบเลยด้อยอย่าไปดปีบ ม, มันมากอย่าไปปล่อยมันมากของมันลูกถ้าดีบมันพุ่งบางทีเวลานั่งไปไม่สนุบเลยจะเอาให้สนง บ, บไม่สบบุบ บางทีเราปล่อยเฉยๆมันจครับนะเนี ar, ่มันใจคนจริงก็ไปแเราไม่เคยจะู้มันไอความอยากเราพามันดีก็ไปพามันดี่อไปลองดูนี่วันนี้ฉันจะนั่งให้มันทูบหลอดนี้ชทําเมีมันจบสุดปล้วเจบลครับคนหนึ่งก็เราปล่อยมันขึ้นไปกี่ดอกก็ช่างไม่ไเฉยๆไม่มากวนเราไอคนที่จีบทูบน่ยโอ้ย นั่งไปไม่ถึงห้านาทีทูบเป็นจวนจะหมดยังงอไม่จะดื่มตายมาดูสักได้อุอปทา น, นนี้มันแรงมันรำคาญเป็นการทูบหลอกเดี๋ยวดื่มตายตั้งห้าครั้งก็ไม่จบก็องคาญนะฮะเดือนล้วดีไปเองบางครั้งที่เราทำเราไปเราไป ไ, ไปวัดเหยียบใช่ไห้เก็ปล่อยกันรมชาติมหมดทูบสักสองดอกก็ได้ไม่ราคาญเลย นั่งออกมานะเพื่อนอันนี้มันก็แบบนี่คือว่าเราสร้างใจเกินไปความพอดีของมันในนี้ไอ้ที่มันเกิดพร้อมคือความพอดีเหมาะสมการเหมาะสมของมันนั้นการปฏิบัติธรรมะคือวางจิตให้มันพอดีอันนี้มันเกินพอดีซะทําไมมันถึงเกินเพราะความอยากมันหน่นหลังหน่นไปโน่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเกินความพอดีจนแล้วเรื่อยวุ่ายไอย่างนี้มันก็เปลี่ยนเหมือนกัน แค่ัอาจจะมาทึงว่าอะไรประชังมันเตะอาาว่านี้่สบายใจแล้วอันนี้อารมณ์มันเส่อมพันนะุกอันนี้เราไม่ชอบเต่งไม่นี่ยอันนี้แข็อบแอเต่งอันนี้ก็ไม่เนี่ยนะครับนิสัยดีซดีจ้ะทิ้งไว้นั้นแหละทิ้งนั้นแหละมันไม่เที่ยงทําไปจําไปมันจะเห็นแค่ของเก็มอย่างนั้นเออของนี้มันเก็นของมันอยู่อย่างมันเห็นของเที่ยงมันจะเป็นความจริงอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะตามเราสักผิดก็แล้วแค่นั้นทุก มีท่านก็ให้ปล่อยไปรู้ไหมทุกมีท่านก็ให้ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาของมันเรื่องความจริงคือเรื่องที่ไม่สุขไม่ทุกข์ความสงบความสุขไม่ใช่ความสงบความวุ่นวายในความสงบให้ความสงบไม่สุขไม่ทุกข์ตรงที่ไม่สุขไม่ทุกข์น่นคือความสงบตรงนั้นทำไมไม่เคยคิดเลนปัญหามันยุปปัญหามันดึงดึงไป ปัญหาเยอะนี้ะอันนี้จะต้องคอยภาวนาพิจารณาการการทำสมาธินี่ไม่ใช่แค่การนั่งอย่างเดียวการยืนการเดนินการนั่งการนอนสานภาพอย่างเียกว่าการปฏิบัติให้มีความรู้สึกดีทุกเวลาใจเราเป็นต้นให้รู้จักความผิดชอบอยู่เสมอท่านบอกว่าให้เป็นผู้มีสติสุขให้ได้ เ, เหมือนเราจุดธูปในบ้านเราแล้วลออกไปน อ, อกบ้านตอนจะออกไปเออธูปหนึ่งบางทีนะต้องไม่ดับมันนะบางทีมันไหม้บ้านก็ได้อย่างนี้แล้วก็ออกจากมากออกครั้แรกก็วกถึงอือธูปก็เก็บในบ้านไปยังนอเนี่ยนะรู้อย่างเนี้ยจะเป็นนั่งตรงนี้ถึงอยู่เสมอระวังอันตรายให้รู้อยู่หลังนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะได้ว่าสติ ป, ปัญฐาห น, นั่นงแหละสติ ป, ปัญฐานใสปปานสติอยู่ตรงนี้ คนมีสติอยู่ตรงรู้เรื่องว่าอะไรในสิ่งอะไรก็ให้เป็นเหตุขึ้นให้ขึ้นตัวปัญญาคนมีสติอันนี้ไม่ใจมันเห็นอยู่ น, น, นะน้องจะค่อยทําไปเถอะอ่าอิจที่เราสร้างโมสถ์อิจ ก, ก้อนหนึ่งเลยจับมั น, น, ม ส, น, น, นมมสีดครักก้งที่จะเป็นโบอถ์ดูมีอะไรบกางอืเรามาต้านอีกมาเผาอิจมาจับสารพัดอย่างก่อนมันจะเป็นโบูถ กิจก้อ น, นมันก็ได้จับจิตสร้งกันเลยอย่างนี้อารมณ์ที่เราทำํำขี่เราอยู่อย่งนี้นั่นตรงานตรงชีวิตานไม่อยกากทำอย่าไปดิ้นกันเป็นกินไปไม่มีอะไรรับจดให้เข้าใจว่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวสมาธิมันเดินมันจะเป็นสมาธิของเราได้ยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิได้ดังนั้นเป็นสมาธิได้ แล้มที่แปลได้จากความมั่นหมายความตั้งใจมั่นรู้จากอารมณ์อยู่รู้ตัวอยู่เสมอบางคนต่อใจว่าโอ้ยผมไปไม่ได้แล้วผมนั่งไม่ไหวแล้วเนี่ยผมนั่งไม่ไหวถ้าคนไปนยิยมแต่การนั่งอเนี่ยคือคนไปฝูงผัอนตัวนไปกระชั้นยังเงนยอย่างนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าการนั่งอย่างเดียว ยืนเดินนั่งนอนถ้านผู้ชมจะรู้แหละคนมีการยืนการเดินการ น, นั่งกนอนแต่ว่าในยาบทท้งนี้ให้เรารู้อยู่ทุกขณะถึงเวลาเรานั่งมราจ น, น, นั่งพอของส่วนชี้เมียเราเดินเรจะเดินแต่ความรู้สึกมันมีอยู่อย่างนั้นทํทำไปคนแก่เคยสอนโูกร้านมาไฟ ไฟมันอยู่ที่ไม้ไม้มันแห้งเช้นไม้ไผ่มันแห้งเอาไม้ไผ่สองที่มาสีกันเข้าไปคนแก่ย่งนี้บอกไฟมันจะตรงนี้ไอ้คนหนุ่มๆก็อยากจะเห็นไฟเอาไม้ไม้ไผ่มาสีกันอีกคนนึงว่ามันเสียกบกราบมันจะได้ไปความเหนื่อยมันก็มีไอ้ความขี้เหนียดมันจะมีขึ้นอนานเนเกิน มันชวนจะร้อนขึกก้นมาหลังรับไปหน่อ ย, บบอยานานสิสมีหไหมนะหยุดไปคา น, ค น, า น, น, น, น้นี่ก็เย็นไปแล้วนึกไก็มาสีก็ทั้งศรีต่างชาติมาเห็นไฟคนมองว่าคนแก่กาีญคนฮวบโบราณอย่างนั้นแหละนี่มีทุเรียไฟตรงนี้แล้อันนั้นความร้อนไม่สมรุนกันไฟก็ยังไม่สมุดนี่ น, น, นะ <c oughs> ไอ้ที่เรามาเห็นเรานึกว่ามันไม่มีไอ้ที่เรามาเห็นนั่นเราไม่ได้นึก ก็ไปเรียกว่ามัน ม, มีอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันําไมนั้นมันบพกอไปนั่งการภาวนาเนี่โอ้ยมันอยากจะผลทุกข์มันอยากจะผ ล, ะผลที่ท่างนจะนั่งตรงไหนจะมีแต่เสียบนบุญบากจะอยู่ในป่าวันนั่นงไปทางไหนโยมก็เอาเอาพึ่งเอาขี้พึ่งมาถวายทำเป็นเทียน คิดไปเิีไปมันเป็นพักโหนน่ันเอาทีดพูมาลอกใส่เป็นสข้อสองข้ออขอนั่งอุดมาเลยจัดจินมันไม่สงบมันวุ่นวายนสงบต่อไปมันก็มีเสียงอื่นขึาไมเออคนมันไปยงนนอ่ะเห็นมนุษเรื่องขา้นมยคนมันไปไม่มีเสียงคนมันก็มีเสียงอื่น อืออือไปนะแต่ทำไปดีื่อเป็นมันคิดออกอ อ, นะ อ, อ, อ้โหนะหูก็ไม่อยากได้ยินเสียงตาก็ไม่อยากจะเห็นรูปมันควนแล้วพอใจอย่างนั้นรูปรูปเสียงกลินรถมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรนั่นจะไปควรใครเราไปควรเขาทั้นเราไม่เข้าใจอย่างแค่คือมันเท่านั้น ถาราลึกมาได้อย่างนี้นะโอ้ย <n> นั่งอยู่ไหมเขพอจะนั่งได้ไหมนี่เนาะถ้าเรามาไปควนเขานี่ไหมพอพกะรังมันมานั่งสมาธิเป็นไงมีความเห็นไหมไหมพวกที่นั่งประจำนะก็ไม่ไม่เคยมีความเห็นอ่านิ่งแล้วไม่ถามอะไรพวกที่มาใหม่ๆก็มีความเห็นมากมาปีแรกมีความเห็นไหม ความเห็นในทั้งนองจะจะจะเปลี่ยน<ช>ควนจะเป็นอย่างนั้ น, นมีคาว่าควน จ, <c oughs> จะตลอเวลาแต่ว่าพออยู่เกินปี น, นั่นก็หายไปก็ต้องเ็องอนอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยม น, ย ม, นมันขัดจังหวะของมั น, นเราเรนดูทุกวันใครมาส่องถังใครมารมาส่งาสงองดูเป็น ไ <c oughs> อ้เขาเนี่ยมั น, น, สมสนมมก็เป็นอย่างอารมณ์อ า, ารมณ์เราคอยทำเอาใจบารมีของเราใจปัญญาของเราไปต่พาะตัวอย่างคนลงไปเอาไม้จีไฟไปจีไฟนใจมันร้อนเอยากเอาไฟมามาไม้มาจีกันจนเ ข, ขนานื้เทียมันเปิดไฟแล้วนั่นไม่ได้ความร้อนในสมุนต์มันก็ไปเกิดเปนน็นไฟเทีนั่งไฟนั่งมากัวเบื่อเหนื่อยนั่งอิแต่ว่า เราไม่พอใจในการกระทําของเราเพราะเราคิดไม่ถี่บางทีเราไปอีกในสถานที่อห่งนการกระทําเช่นนั้นเห็นของเรามีประโยชน์ที่ไปพบใหม่ไม่มีประโยชน์อยงนี้อย่างบ้านเราในสภาพยาย อ, ยใใอย่างนี้มันสบายอยู่มันใครแล้วอย่างนี้ไมายควมามว่าอย่างนี้เราคนะ น, นี้ไปสร้างบ้านอยูน่นี่ไปพบบ้านอื่นโอ้ยิ่งล่าส์ก็หนีไม่ถึงบ้านมาแล้วเนี่ย วันเราเป็นสั่ดีแม่ใช่ไหอันนี้ก็เป็นกลับไปกลับมากลับไปกลับมามาบวกทบคูณหารไป <Yeah. S 1> เรื่อยๆไอความผิดไปก่อนความถูกมาทีหลังความทุกมาก่อนความสงบมาทีหลังอย่างนั้นสัจจะทุกข์ขั์เห็นทุกข์เราอยากถอยธรรมดาเพราะเราไม่ต้องการ ทุกนันในตัวให้เกิดปัญญาไม่คิดรีบอะไรก็ในความเป็จริงถ้ทุกถ้ารู้มันจงเรียนดูจากทุกแล้วมันก็ไม่ทุก อ, อืต้องหาอย่างนี้นหาในที่นี้แหละให้การประพฤติปฏิบัติในคือเริ่มออกจากใจไม่ใช่เริ่มออกจากาจอีกเอาอย่างนี้นในที่อย่างนั้นอี่จะสุสิต ไปไปอยู่ไอ้แจ็คเขาเนี่ก็ามาทำกรรมาฐานกาันไม่รู้ปกี่ะทิมันจะยืนจะเดินจะเหินตาไมไอ้ธรามา ก, ก็ไปดูตรรมะแเอิงป็เดียวนันโดยมากตามตามไปดูแลนะ่ะไอ้คนที่มานั่งให้ผมเโอ้คนมันแย่มาแล้วคนข้คนมันเป็นประสาทอะไรคนไม่รู้เรื่อง ม, มาก เนี่ยกระ่อยมันทําตามเรื่องมันก็ดูแล้วก็ดูาไปไปดูคนร้ายถล่มมารวมกันนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะเหนไน่าดูเหมือนกันอย่างไรก็ว่าทําวิธีกรรมฐานปฏิบัติของเขาก็มีมันก็มีอันหนึ่งที่หเขาทําอยู่างนีน้แล้วก็ดูเราระดวมรวมการกระทําของเขานั้นเราก็รู้เรื่อง ึ้นขามันประชุมต้องให้ปรเทศอะไรเทศอะไบิษยับขุนรามเทพเทศตัดเนี่ยเขต่อจนรตัดตรงนี้ออกถ้ต่อจนรถตัดตรงนี้ออกตัดไหมนีัเมื่อเทพจบแล้วก็ใครสงสัยให้โอกาสแค่หนก็ทางนั้นเนี่ยสงสัยเนี่ย แม่สับสนก็เกินหลายอย่างแต่ว่าดีเขาสงสัยดีปัญหาจะแก้ในขยากมปัญหาแก้ไม่ขยากเหมือนสงสัยในเมืองไทยหละเมืองไทยและมันเรียนรู้แต่ว่าในคำมันมีความสงสัยมาสงสัยเกี่ยววนชะพัดหยังอย่างนี้อันนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยพูดกันตรงไปตรงมาเลย เราก็รู้จกักเออมันสงสัยมันพูดง่ายรู้ง่ายถ้าพูดกันแล้วผมจะรับไปที่จีนใหม่อย่างนี้นะไปใหม่ผมรับไปที่จีนใหม่อย่างนี้ เ, นเขาฟังมีเหตุผลของเขาไหนดีอแม้ในกลุ่มามากๆก็สบายใจนะฟังถ้าฟังก็ฟังจริงจริงจงตาไม่กระพิบเลยฟังเอาใจก็ไปฟังเข้าไปเนี่ยแล้วก็ใส่ก็ไปใส่ก็ไปแต่ว่านไม่รู้ภาษาเขาทำไมเนะ รูปภาษาอย่างนเดีเยวเนาะพอ ป, ปอยให้คุณมีโทรอือเราทำไปบางทีเราพูดยันถึงพูดที่สองจางไปหน่อยก็มีเนาะไปถึงที่สามมันจะจางไปเลยก็มีซึ่งจางไปก็ ม, ม, ม, ม, ม, มีอย่างนี้มันอาจเปลี่ยนไปอย่างนั้นมันรู้จากสับภาษาถ้าทันมั น, น, นกิจการก็ไปส่วนดี ไอภาษาเนี่ไม่เป็นหรอกโยมชะลอเพราะอะไรนี่ก็ไม่ดีแล้วก็แกขนาดนี้แล้วก็ไม่สนใจในภาษานไม่สนใจพูสนใจมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นไปแล้วก็เลยต่อเองที่นะนะมันไม่แหลมอย่างนั้นภาษานี่ทั้งเสียด้วมันต้องพูดด้วยทูกไม่ทูกก็พูดไปด้วยมันคนเด็กๆมันพูดกันไปแกแล้วไม่มีแล้วก็ไม่จะพูดไดอยู่ก็ไม่เป็น ยอมแล้วไม่เติมเลยมไม่เติมเติมก็พูดไปบ้างแล้วจะไปถวายพระสุเมโธนะตารบมายมชรองมาลูกชายยมมฉรองมาเยี่ยมดีใจหลายจะได้ถามข่าวข่าวถึงบัดเจ็บหัวของเราเวลาผมไปก็ถามถึงทูมาอาจารย์อยู่ด้วย ไอ้ปัญหานี่จะทำไง ห, หลายประเทศอยากจเจริบพระอยากจะตั้งวัด ท, ทั้งออสเตรเลียทั้ทงเซเนด า, ไ, นานได้เห็นเมื่อวานนี้เห็นว่าคานยอร์กเขียนจดหมายมาถึงอาจารย์อนจวนเมื่อวานนี่อาจารย์อนจวนมาตูดกับ อัาหาเรื่องใ้การขอมาศาคุณพ่ออะไรต่าง้พูดกันถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายของนิวยอร์กเขาว่าอย่างไอมันก็ต้องไปดูซะก่อนต้องเริ่มจะสน้นมาอะไรทำได้อะไรไม่ได้ต้องรู้ให้แน่นอนซะก่อน ก็มาปรึกษากันว่าจะออกในรูปยังไงแล้วถ้ามันขาดเบี้ยหลวงพจะเอาอย่างไรที่เราก็อยู่กันที่นี่อาจารย์นั่นตัวก็ไม่ทราบว่านนิวยอร์กเขามีกฎหมายอย่างไงบ้างแต่ผมก็ไม่ทราบจะให้มันปรึกษากับผมผมก็บอกกับผมอยู่มืองไทผมไม่รู้ว่านิวยอร์กกฎหมายมันเป็นยังไงไม่แพ้ใจ แคลิฟอร์เนียเขายังต่างกับนิวยอร์กกฎหมายก็ไม่เหมือนกันเป็นรัทธิมันไม่เหมือนกันเราต้ อ, อ, องไปดูก่อนเขาได้มีกฎหมายเปิดทางให้อนุญาตจะไรแค่ไหนอย่างไรและมาในรูกลักษณะอย่างไรจะเป็นทรัสหรือว่าเป็นอะไรจะอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นตัวบุคคลมีนจะตายไปทำอย่างไงมันก็ต้องคิดให้หลอกก่อน ก็ไปอยู่ก็ไม่มีถ้าไม่มีคนอุปถัมภ์นี่ก็ผมเห็นอยู่อย่างอังกฤษที่นี้เป็นต้นนะไม่มีใครช่วยบาดต้ององปจัจจัยสี่มันขาดไปสักหนึ่งแล้ว uh huh. นี่มันก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน uh huh. แล้วก็เคยศึกษาดูอยัางพระลังกาด็อกเตอร์สาทิศต์อะไรนะู้นที่ไปใหม่ๆอืเ uh huh. ก็อดไปเป็นอาทิตอาทิต ก, ก็จะแย่เหมือนกันอ uh huh. ไม่ใช่เรื่องเล่นโ ไม่ใช่เรื่องนั่นจะต้องคิดให้รอบครอบกับพระแล้วลูกเสริบยังต้องชันข้าวหรือพั ก, กเรืออยู่ทุกอย่างที่สุดคือทุกอย่างที่ไม่มีอะไรจะกินทุกมากกว่าเขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ทุกอีกแล้วมันจะมากขึ้นอีกแล้วใช่เอออือ แน่นเลยวะเอ๊ะเอเอ๊ะก็ไม่โทรเราทำไปทำไปดีกินไปเแล้วังมันจะตีกลับหลังนะระวั ง, งตีกลับหลังกลับหลังยังไงเราเพลินไปทำไปด้วยด้วยด้วยไปเด็กมันเกิดออยังไพ่อมันไม่ถึงนาะดูดไม่ขึ้นนั้งกอกอดกอ แล้วก็มีสุ้มิโถงองเดียวสององไปโน้นข้าไม่ถึงเลย ด, ด, ด, ดูน้ำกอดกอดน้ำพ่อไม่ถึงน้ำ ด, ดูไม่ขึ้นจำไงละ่ะ <c oughs> เออนะนะ่าคิดนะทุกวันนี้ดูเถอ ะ, อออะวัดตะพงเรานี้ยนะบ้านใดนีนะ่แต่เมก่อนโอ้ยลำบากพย า, พยายามเทศกคนเข้ามาพยายามส่งใจมาทำมาได้เพียงเขามา เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็มากขึ้นทุกอย่างพรมันคนมากขึ้นนะมายก็ต้องการก็ทําก็มบบขยายออกไปเ้ยื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดขยายไปเป็นที่มันทุกท่นรุ่นเก่าหมดไปรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาตีกับหลังหนึ่งระวังดีๆหนึ่งจะไม่มีใครกดสลาเนี่ยนะไปตัวอื่นเนี่ยมันกลับคือเราก็แก่ไปแเราขัวไม่ถึงนี่นะ มันควบไม่ถึงทะแล้วมันไม่ถึงซะแล้วที่นี่เมื่อเราแกนะมันจะนั่งคู่กันกับวันข้อนวันอะไรไม่ได้ใช่แต่เอาเตตัวไปก็ยังจะไม่ไหวแะแลรงอย่างเงี้ยมันก็เป็นไป